สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคิตทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เราได้มามีโอกาสพบกันแล้วก็มาพบกันในวันสบาโตศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงเจิมตั้งไว้เพื่อเราทั้งหลายได้เข้ามาพักสงบฝ่ายวิญญาณกับพระองค์แล้วในพระคําของพระองค์ก็ได้สัญญากับเราว่าผู้ใดที่สแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนพระองค์ทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ตลอดชีวิตของดิฉันที่ได้รับใช้พระเจ้ามา ได้รู้เสมอเลยว่าพระวจนะคมและพระสัญญาตอนนี้เป็นจริงเมื่อเราได้มาเข้าเฝ้าพระเจ้าเราอาจจะเลือกชีวิตเราต้องเลือกนะคะเราต้องเลือกเสมอและเมื่อเราเลือกที่จะให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตสิ่งที่ตามมาทุกอย่างก็ไม่มีอะไรที่น่ากังวลแล้วค่ะเพราะพระเจ้าทรงรับรองทุกสิ่งที่เกิดขึ้นขอพระคุณพระเจ้าสำหรับการต้องบอกว่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ ขอบคุณพระเจ้าที่ได้มาพบกับพี่น้องและก็ทุกท่านยังอยู่ในพระคุณความรักของพระเจ้ายังมีความสุขสบายและก็มีร่างกายที่แข็งแรงนี่เป็นพระคุณพระเจ้าที่เราจะได้ร่วมกันขอบพระคุณพระองค์นะคะในบ่ายวันนี้พระวจนะคมที่ดิฉันได้นำมาอยู่ในพระธรรมกะลาเทียอย่างที่ผู้นำนมัสการได้กล่าวไว้ในพระธรรมกะลาเทียบทที่5ข้อ1 6ถึง พระธรรมกะลาเทียตอนนี้เป็นความจริงในชีวิตที่บอกกับเราเช่นกันว่าเราต้องเลือกนะคะแต่การเลือกของเราเราจะต้องเลือกด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเป็นการเลือกที่มีผลต่อชีวิตมากเลยทีเดียวนะคะถ้าเราเลือกผิดชีวิตเราก็หลงทางนะคะแต่ดิฉันเชื่อว่าเมื่อพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ท่ามกลางเรา และไม่ใช่อยู่ท่ามกลางเราเท่านั้นแต่พระองค์ทรงอยู่ในเราพระองค์จะทรงประทานสติปัญญาให้เราจะเลือกและรู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นคริสเตียนที่มีชีวิตที่เป็นคริสเตียนแท้มีความเชื่อแท้มีชีวิตที่ติดสนิทกับพระองค์มักจะเลือกไม่ผิดนะคะแต่หากเลือกผิดแต่ต้องอยู่ในวงเล็บว่าไม่เจตนา พระเจ้าก็ทรงสัตวซื่อและทรงเที่ยงธรรมที่จะยกโทษและภัยบาปให้แต่ถ้าหากเจตนาก็แน่นอนค่ะหว่านสิ่งใดก็ต้องเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นความจริงตลอดทุกยุคทุกสมัยนะคะเพราะวจนะคํานคในตอนนี้ที่บอกว่าเป็นแหล่งแห่งชีวิตแน่นอนวันนี้ก็คือเราจะได้มาลองเขาเรียกอะไรคะลองดูอีกครั้งหนึ่งว่าชีวิตของเรา มีผลพระวิญญาณมากน้อยแค่ไหนไม่ต้องไปกระซิบบอกคนข้างนะคะอุ้ยฉันนะผลแห่งความรักนี่เยอะมากเลยแต่ผลแห่งความเมตตาไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะคะขอให้เป็นเรื่องระหว่างเรากับพระเจ้านะคะที่จะมาดูด้วยกันและเมื่อผู้นำนำ้กกัสศการได้กันวนะุฒได้อ่านพระวจ น, นะคำให้ดีฉันแล้วก็ให้เรามาพิจารณาข้อที่สาคัญสาหรับบ่ายวันนี้เลยแล้วกันนะคะซึ่งกออ็อยู่ใน ข้ที่22นะคะก็คือฝ่ายของผลพระวิญญาณเราจะทบทวนด้วยกันก่อนนะคะว่าฝ่ายของผลพระวิญญาณ น, นั้นเป็นอย่างไรและคืออะไรบ้างนะคะและนอกจากในพระธรรมกาลเทียแล้วพระเจ้าด้วยทรงตรัสไว้ในพระวจนะคาตอนไหนอีกบ้างนะคะลองมาดูด้วยกันคร่าวๆก่อนนะคะผลของพระวิญญาณนะคะประการที่1 น, นะคะก็คือผลแห่งความรักความรักไม่ใช่ของประทาน นะคะแต่ความรักเป็นผลจากพระวิญญาณเมื่อเรามีพระวิญญาณเราจะรักได้นะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าในพระธรรมหนึ่งยนก็ได้บอกใช่ไหมคะเรารักเพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนเพราะฉะนั้นนี่เป็นผลเมื่อผู้ใดที่เรารู้สึกว่าเราได้รับความรักจะไม่มีค่ะที่เมื่อเราได้รับความรักแล้วเราจะรู้สึกว่าเราจะไม่รักคนอื่นมันผิดธรรมชาติและมันเป็นความขัดแยง้ง ยิ่งถ้าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักทรงดีกับเรามากแค่ไหนเราจะยิ่งรักผู้อื่นและนี่เป็นผลของพระวิญญาณในพระธรรมโลมบทที่ห้ข้อ5ได้บอกกับเราไว้ว่าและความหวังจะไม่ทําให้ผิดหวังเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุธดซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้วพระวิญญาณเบย์สุดเป็นผู้ประทานความรักให้กับเรานะคะเพราะฉะนั้นคริสเตียนท่านใดที่บอกว่าตัวเองไม่มีความรัก หรือขาดความรักอันนี้ต้องใส่เครื่องหมายคําถามตัวใหญ่ๆเลยนะคะเราเชื่อในพระเจ้าคนข้างนอกอาจจะบอกว่าความรักคือพระเจ้าแต่สําหรับคริสเตียนเราเราต้องบอกว่าพระเจ้าเป็นความรักนะคะเพราะฉะนั้นคริสเตียนไม่มีวันที่จะมีความรักที่เหือดแห้งไปประการที่สองค่ะผลแห่งความยินดีผลแห่งความยินดีเป็นพัลลักษณะหนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราชัดเจน ก่อนที่นีฉันจะมาเชื่อพระเจ้าที่ฉันสงสัยในข้อนี้มากๆว่าทำไมคริสเตียนถึงดูมีความสุขตลอดเวลานะคะดูชื่นชมยินดีดูมีบทเพลงในชีวิตได้ทุกโอกาสทุกเทศกาลเขาแกล้งหรือเปล่าหรือเป็นหลักข้อบังคับของเขาหรือเปล่าที่เขาต้องยิ้มตลอดเวลาต้องดีตลอดเวลา และหนึ่งในนั้นก็คือคนที่ได้มีโอกาสนําให้ดิฉันได้มารู้จักกับพระเจ้าดิฉันก็รู้สึกว่าเขาเสแสร้งหรือเปล่าที่เขาชื่นชมยินดีแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่เลยความยินดีเป็นผลของพระวิญญาณอย่างหนึ่งเช่นกันเหมือนอย่างที่อาจารย์เปาโลได้ย้ํากับเราแล้วเป็นข้อที่ดิฉันเชื่อว่าคริสเตียนทุกท่านท่องได้ก็คือจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าบางเวลาบางเวลาหรือเปล่าคะทุกเวลา และยังขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดแสดงว่านี่เป็นคีย์เวิร์ดของชีวิตคริสเตียนทุกเวลาด้วยนะคะเนาะหรือว่าเรามีบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ดิฉันก็ชอบมากก็คือเพลงยิ้มสู้ยิ้มไวค้ค่ะไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเจอสถานการณ์อะไรตราบใดถ้าเรายังยิ้มและยิ้มแล้วต้องยิ้มที่ตาด้วยนะคะอย่ายิ้มแต่มุมปากแล้วก็ตาเรายัางเศร้า แลเชื่อไหมคะว่าความยินดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้มีโอกาสนําคนมารู้จักพระเจ้าเพราะมีหลายคนในสังคมนี้ค่ะที่เดินอย่างหมดหวังหลายคนกําลังเดินไปสู่ความตายเมื่อเขาไม่รู้ว่าเขาจะเดินไปในทิศทางไหนในชีวิตแต่เมื่อเขาเห็นรอยยิ้มเห็นความยินดีในชีวิตของเราเขาอาจจะอยากรู้สึกว่าเขาอยากจะยินดีอย่างนี้บ้างแล้วทํายังไงละ่ละอันนี้เป็นคําถามที่เราจะมีคําตอบเดียวก็คือ เพราะเรามีพระเจ้านะคะผลแห่งพระวิญญาณประการต่อมาคือผลแห่งสันติสุขนะคะการมีประสบการณ์กับพระเจ้าภายในจิตใจทำให้เรามีสันติสุขและเช่นกันนะคะในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ6ถึงข้อ7เราก็ท่องได้อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยใช่หคะแต่จงทูลเรื่องราวของเราต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนและการขอบคุณ ถ้าจบแค่นี้เราก็คงรู้สึกว่าอมันเป็นการกระทำหรือพิธีกรรมที่เราต้องทำแต่เปล่าเลยค่ะสิ่งที่เรากล่าวเมื่อกี้เป็นเคล็ดลับตา่างที่ทำให้ผลที่ตามมาก็คือแล้วสันติสุขที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์หากใครไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้ดิฉันขอเชิญชวนนะคะว่า ลองวางความกังวนกระวายความทุกข์และภาละในใจไว้ที่เบื้องพระบาทพระเยซูคริสต์และสันติสุขที่เกินความเข้าใจจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตจนมีแต่คนถามว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมทุกข์ขนาดนี้ทําไมเจอขนาดนี้ยังมีความสุขได้เราก็จะรู้สึกว่านี่แหละคือสันติสุขนะคะและเมื่อเช้าได้ไปนมัสการก็มีเพลงที่บอกว่าเพลงผู้เป็นนะคะท่านถามว่าข้ารู้ได้อย่างไร ค่ารู้เพราะอยู่ในใจนะคะสันติสุขเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครขโมยไปจากเราได้ไม่มีใครพลากจากเราได้นะคะเป็นสันติสุขแท้ที่จะยั่งยืนอยู่ในชีวิตของเราผลประการต่อมาค่ะผลแห่งความอดทนอดทนนะคะไม่ใช่ทนอดนะไม่ต้องทนอดนะคะในพระเยซูคริสต์พระเจ้าไม่เคยให้ผู้เชื่อต้องทุกข์ยากลาบากนะคะ พลแห่งความอดทนบางคนบอกว่าเขามีความอดทนที่มีขีดจํากัดมากเลยหรือถ้าภาษาเวลุรเราเรียกว่าต่อมปี๊จะแตกเร็วมากใช่ไหมคะบางคนต่อมปี๊แตกเร็มไหมคะมีเนาะโดยเฉพาะยิ่งถ้าโดนจุดปี๊เราง่ายๆนี่นะคะเราจะรู้สึกว่าต่อมปี๊เราแตกเร็วมากและความอดทนเราหายไปไหนนะคะขอพระเจ้าช่วยเราดิฉันเชื่อว่าผลแห่งพระวิ ญ, ญญาณข้อนี้เป็นสิ่งที่ชีวิตคริสเตียนจําเป็นต้องมีมากๆความอดทน นะคะอยู่ในพระธรรมโรมบทที่5ข้อสถึงข้อสยิ่งกว่านั้นเราก็ชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากด้วยเพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นทำให้เกิดความทระหดอดทนและความทระหดอดทนทำให้เราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้และการที่เป็นเช่นนั้นทำให้มีความหวังการอดทนที่เกิดขึ้นที่เป็นผลของพระวิญญาณไม่ได้ทาให้แค่ชีวิตของเรารู้สึกพึงพอใจแต่ทาให้พระเจ้าทรงเห็นว่า เราใช้การได้เราคงจะไม่เลือกใช้คนที่เขาไม่มีน้ำอดน้ำทนถูกไหมคะคนที่นิดหน่อยก็ไม่เอาแล้วหรือหยิบโยงหรือเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อเราจะรู้สึกว่าเขาไม่มีความอดทนเขาไม่น่าเป็นคนที่จะทำการงานสิ่งใดสำเร็จแต่ถ้าเรามีความอดทนหรือเราได้เจอกับคนที่อดทนนี่แลคะค่ะเป็นสิ่งที่เป็นพัลลักษณะที่พระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ทรงประทานให้กับเราประการที่หคะ่ะผลแห่งความการุณา ดิฉันเชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่คริสเตียนส่วนใหญ่มีนะคะความการุณาปานีสุภาพอ่อนโยนและให้ความช่วยเหลือด้วยน้ำใสใจจริงสังคมคริสเตียนเป็นสังคมที่ต้องบอกว่าเป็นสังคมที่ไม่มีหน้ามีตาค่ะคําว่าไม่มีหน้ามีตาไม่ได้เป็นความหมายเชิงลบแต่เรากําลังจะบอกว่าเมื่อเราอยู่ในสังคมที่เป็นผู้เชื่อเราจะไม่รู้สึกว่าเราจะต้องใส่หน้ากากหรือว่าจะต้องกลัวใครจะมาทําร้ายเราเมื่อเรา มอบความดีหรือมีน้ำใจกลับไปกับเขานะคะเราจะเห็นสังคมของคริสเตยียนเป็นสังคมที่น่าอยู่คิดจักต้องเป็นคิดจักที่มีบรรยากาศแห่งความเมตตากรุณามีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันนะคะและนี่จะเป็นสังคมที่สังคมภายนอกต้องการเราเริ่มจากในคิสจักเนี่ยนะคะในประการต่อมานะคะคือผลแห่งความดีอยู่ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อที่10 เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตามเราไม่ได้ทำความดีเพื่อความรอดแต่เรารอดแล้วเราจึงทำดีนะคะทำดีเพราะอะไรทำดีเพราะเราเป็นฝีพระหัตถ์ที่พระเจ้าทรงสร้างในพระธรรมมัทธิวก็ได้บอกกับเราใช่ไหมคะว่าเวลาเมื่อเราทาดี สัเสริญคำสันเสริญ น, นั้นก็จะสันเสริญแด่พระบิดาของเราเห็นไหมคะสิ่งที่เราทำจะกลับไปที่ผู้สร้างของเราจะไม่ได้อยู่แค่ตัวเราเพราะฉะนั้นเมื่อแรงจูงใจของคริสเตียนในการทำดีอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะคะสิ่งนั้นจะถวายมอบแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทยัยและประการที่7ค่ะคือผลแห่งความซื่อสัตย์ ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าคริสเตียนต้องซื่อสัตย์นะคะไม่ได้ซื่อสัตย์เฉพาะเรื่องของทรัพย์แต่ต้องซื่อสัตย์ในเรื่องของเวลาเรื่องของชีวิตและไม่ได้ซื่อสัตย์เฉพาะแค่ต่อหน้าแต่ต้องซื่อสัตย์รับหลังด้วยไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าผู้คนหรืออยู่ลําพังชีวิตเราต้องเหมือนเดิมนะคะ ความสัตย์ซือเป็นสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องให้กับผู้ที่รักพระองค์ต้องกระทำในพระธรรมลูกาบทที่16ข้อ10ถึง13พูดถึงการซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยก็จะซื่อสัตย์ในของมากด้วยนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้พิสูจน์ชีวิตของผู้เชื่อทุกท่านนะคะและประการที่8ค่ะผลแห่งความสุภาพอ่อนโยนบางฉบับอาจจะแปลว่าความถ่อมใจ นะคะในพระธรรมมรารโกบทที่10ข้อที่45บอกว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปนิบัติแต่มาเพื่อปนิบัติผู้อื่นและให้ชีวิตของท่านเป็นค่าไถ่คนจํานวนมากนี่เป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือองค์พระเยซูคริสต์ได้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงอ่อนสุภาพทรงอ่อนโยนและเมื่อเราบอกว่าเราติดตามพระองค์ เราก็ย่อมสะท้อนถึงพัลลักษณะของพระองค์ด้วยเช่นกันนะคะและในประการสุดท้ายก็คือผลแห่งการรู้จักบังคับตนดิฉันคิดว่าผลนี้เป็นผลที่คริสเตียนหลายคนบอกว่ายากที่สุดนะคะผลแห่งการรู้จักบังคับตนก็คือเป็นพลังที่ให้เราเนี่ยทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะคะในพระธรรมกาลเทียบที่หข้อที่ส4ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ก็ได้ตรึงเนื้อหนังไว้ที่กางเขนพร้อมกับราคะและตันหาแล้วเมื่อตอนที่ดิฉันเชื่อพระเจ้าใหม่ๆอาจารย์ที่ดูแลชีวิตฝ่ายวิญญาณของดิฉันได้กล่าวไว้ว่าเมื่อวันหนึ่งที่คุณมาเชื่อพระเจ้าคุณได้ก้าวข้ามประตูชีวิตเก่ามาแล้วกรุณาปิดและล็อกลงกรตายไว้ที่ประตูนั้นอย่าเปิดทิ้งไว้หรือแง้มไว้ เพราะธรรมชาติของมนุษย์มักจะย้อนกลับไปประตูเก่าได้เสมอๆนะคะใครที่ยังไม่ได้ลงกรอนไว้นะคะลงกรอนชีวิตตัวเก่าไว้ด้วยนะคะและเราจะรู้ว่าการรู้จักบังคับตนนั้นเป็นผลของพระวิญญาณทั้งสิ้นนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่พระองค์ได้บอกกับเราว่าให้เราทำตามลําพังแต่พระเจ้าได้ทรงช่วยเหลือเราและพระองค์ก็ทรงมีพระทัยเมตตาที่จะให้เราไปถึงเส้นชัยนั้นให้ได้ ะะพระองค์ไม่ได้โยนคําสั่งมาแล้วบอกอ้าวไปทํานะไม่ใช่แต่พระองค์บอกว่าพระองค์อยู่ด้วยและพระองค์จะเสริมกําลังเมื่อเรามีความตั้งใจอยากจะทำนะคะผลของพระวิญญาณจําเป็นจะต้องมีทุกประการนะคะไม่ใช่มีอันนี้มากอันนี้ไม่มีเลยไม่ได้นะคะเมื่อออกผลต้องออกผลให้เท่ากันแล้วก็มากบ้างน้อยบ้างก็คือเราก็ต้องพัฒนาชีวิตของเรา และในส่วนต่อมาค่ะเมื่อเราได้รู้จักผลของพระวิญ ญ, ญาณแล้วทีฉันเชื่อว่าทุกคนคงคุ้นเคยกับเรื่องของผลพระวิญ ญ, ญาณแต่วันนี้ในพระวจนะคำที่จะนํามาฝากเนี่ยที่ว่าอยู่ในพระธรรมกะลาเทียบทที่ห้าข้อที่สิบหกถึงยีบเนี่ยนะคะบอกกับเราหลายประการเลยทีเดียวและนี่เป็นพระลักษณะของผลพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ที่อยากจะบอกให้เรารู้ว่า ในเมื่อพระเจ้าได้ทรงตรัสกับเราว่าเราจําเป็นต้องมีผลพระวิญญาณแล้วทํำยังไงล่ะผลพระวิญญาณถึงจะเกิดขึ้นและพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้มีพระราชกิจในชีวิตของเราอย่างไรนะคะลองมาดูด้วยกันนะคะละักษณะของผลพระวิญญาณนะคะประการที่หนึ่งคือพระองค์ทรงสถิตในชีวิตของผู้เชื่อพระพีได้กล่าวชัดเจนนะคะว่าทุกคนไม่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทันทีที่เขาหรือเธอท่านนั้นรับเชื่อในพระเยซูคริสต์เขาจะได้รับประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระธรรมโรมบทที่เก้าได้เอ่อพระธรรมโรมบทที่แปดข้อเก้าได้กล่าวกันแล้วว่าถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้อยู่ใต้เนื้อหนังแต่อยู่ใต้พระวิญญาณผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์อันนี้ชัดเจนนะคะ เมื่อเราย้ายข้างแล้วนะคะย้ายข้างจากชีวิตเก่าย้ายข้างจากชีวิตเดิมย้ายข้างจากสิ่งที่เคยอยู่เหนือและควบคุมชีวิตเราเราจะต้องมีฝ่ายที่อยู่ใหม่นะคะจะอยู่กลางกลางไม่ได้จะขออยู่ตรงเส้นกลางๆงไม่มีอยู่ในฝ่ายสีเทาๆไม่ได้นะคะต้องขาวหรือไม่ก็ดาไปเลยขาวแบบมัวๆก็ไม่ขาวนะคะเทาก็ยังไม่เรียกว่าขาวนะคะ ในชีวิตที่มีพระเจ้านั้นต้องสว่างอย่างแท้จริงนะคะเมื่อเราทิ้งชีวิตของเราตัวเก่าแล้วเนี่ยเราจะต้องอยู่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์สถิตอยู่กับเราและถ้าเราเชื่อแล้วพระองค์อยู่กับเรานะคะถ้าเรารู้สึกว่าทำไมพระวิญญาณบริสุทธิต์ติดดั บ, ด, บดับในชีวิตของเรานะคะต้องรีบเช็คนะคะ ต, ติดดับดั บ, ดบไม่ได้นะคะต้องติดถาวร นะคะต้องถาวรมากๆและนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตยอยู่ในเราเพื่ออะไรคะเพื่อปรับเปลี่ยนเราและให้เราเนี่ยเป็นแบบพระฉายของพระคริสต์ช่วยเราให้ชีวิตของเรายิ่งต้องเหมือนพระองค์มากขึ้นผู้ใดนะคะที่เชื่อในพระเยซูคริสต์มานานถ้าภาษาทั่วไปเรียกว่าเริ่ม มีแก่พันษามากขึ้นนะคะเชื่อมานานแล้วบางคนบอกโอ้โหเชื่อมายี่สิบปีแล้วบางคนเกิดในครอบรครัวคริสเตียนรับเชื่อตั้งแต่อยู่ในคันคุณแม่แล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่ชีวิตไม่เปลี่ยนอันนี้น่าสงสัย<อ>การที่เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตเรายิ่งทําให้เราต้องเห็นว่าชีวิตเรายิ่งต้องเหมือนพระเยซูคริสตม์มากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นนี่เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่บอกว่าพราะวิญญาณบริสุทธิ์ยังคงทําพระราชกิจอยู่ในชีวิตของเรา บางท่านนะคะถ้าเปรียบหัวใจของเราเหมือนบ้านนะคะเราเชิญพระเจ้าสถิตยอยู่ที่ห้องรับแขกเนาะแต่ห้องนอนไม่ให้เข้าห้องครัวไม่ให้เข้าห้องน้ํำไม่ให้เข้าห้องอื่นๆไม่ให้ไปพระ อ, องค์เจ้าข้าสถิตยอยู่ห้องรับแขกเท่านั้นให้อยู่แค่ตรงนั้นจะมาหาต่อเมื่อถ้ามีปัญหาถ้าไม่มีปัญหาไม่เป็นไรยังไม่ขอใช้บริการนะคะและทําให้ชีวิตของเรารู้สึกเหมือน การเติบโตเราขึ้นไปติดเพดานแล้วเราก็จะตกลงมาขึ้นไปติดเพดานแล้วก็จะตกลงมาสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับอะไรที่ชัดเจนที่สุดสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับคำอธิษฐานเมื่อเรารู้สึกคำอธิษฐานของเราแห้งแล้งเมื่อเรารู้สึกว่าคำอธิษฐานของเราไปไม่ถึงที่แท่นบูชาของพระองค์เราต้องครขครวนชีวิตเราอีกครั้งหนึ่งนะคะมีอะไรหรือเปล่าที่เป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นพระนิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์ยังคง กระทำพระราชกิจของพระองค์ในชีวิตของเราหรือไม่และเราเองหรือเปล่าที่เป็นผู้ดับพระวิญญาณซึ่งน่ากลัวมากนะคะขออย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยในชีวิตของเราประการที่สองค่ะผลของพระวิญญาณลักษณะของผลพระวิญญาณคือพระองค์จะทรงอยู่ตรงกันข้ามกับความประพฤติตามธรรมชาติบาปของเนื้อหนังอันนี้แน่นอนนะคะพระองค์จะไม่สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติบาปของเนื้อหนังได้เลย อันนี้ต้องยืนยันชัดเจนมอคีเมื่อเราอ่านในพระธรรมกาลาเทียนะคะเราจะพบว่าการงานของเนื้อหนังเยอะเหลือเกินนะคะถ้านับจริงๆที่แค่ยกตัวอย่างที่อาจารย์ปอโลยกตัวอย่างมี15ห้าอย่างและยังต่อท้ายว่าและการอื่นๆใส่ etc ยนะคะคือมีอีกเยอะมากเลยส่วนผลของพระวิญญาณ น, นั้นมีเกอย่างนะคะทิฉันลองมานั่งพิจารณาดูแล้ว การงานของเนื้อหนังที่เมื่อกี้เราเห็นไม่ว่าจะเป็นอิจฉากันลิษยาทุ่มเถียงแตกกแตกแตกเราวิวาทเป็นศัตรูโกรธกันใยสูงทำสนุกทุกข้อเลยเป็นอะไรที่ธรรมชาติบาปมักจะดึงเราลงต่าได้ง่ายมากเลยนะคะมีกลุ่มที่ไหนเราจะไปที่นั่นและที่น่าเสียใจคือกลุ่มอธิษฐานบางกลุ่มเป็นเหมือนกลุ่มวิพากวิจารด้วยซ้า ขอให้เป็นเช่นนั้นเลยในชีวิตของคริสเตียนนะคะการงานของเนื้อนหนังจะอยู่ตรงข้ามกับพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เสมอแต่เมื่อเราพิจารณาผลของพระวิญญาณเก้าประการที่มื่กี้ได้บอกไปตั้งแต่ต้นนั้นเราจะรู้สึกว่ายากกว่ายากกว่านะคะแน่นอนนะคะอย่างที่ได้กล่าวไว้ว่าธรรมชาติบาปมันจะเป็นการดึงลงต่ําซึ่งในโลกนี้มีแรงโน้มถ่วงถูกไหมคะการดึงลงต่ํา ง่ายกว่าดึงขึ้นเยอะเลยเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าเมตตาขอพระหัตถ์ของพระเจ้าจะยังทรงฤทธิ์นะคะและมีกำลังในชีวิตของเราที่จะดึงเราขึ้นสูงเสมอดึงเราให้ไปพ้นจากการงานของเนื้อหนังเสมออาจารย์เปาโลเองนะคะต่อให้ท่านเองเป็นสาวกที่ใช้ชีวิตติดสนิทกับพระเยซูคริสต์ดำเนินชีวิตตามอย่างที่พง์ทรงสอน มีพระชนธรรมมากมายแต่ท่านเองก็ยังได้กล่าวไว้นะคะชัดเจนเลยว่าท่านเองก็สมเพศตัวเองว่าท่านรู้ว่าอะไรควรทําและอะไรไม่ควรทําแต่ทําไมเนาะชีวิตของท่านจึงยังทําในสิ่งที่ไม่ควรทําอยู่นะคะเช่นกันแต่เมื่อเราพิจารณาและพิเคราะห์ชีวิตของเราแบบนั้นได้เราขอบคุณพระเจ้านะคะแสดงว่าพระวิญญาณบริสุทธ ยังคงเตือนเราอยู่เสมอและให้เราต้องระมัดระวังนะคะผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะจะตรงข้ามกับการงานของเนื้อหนังอย่างที่กล่าวไปแล้วหมายความว่าชีวิตเราส่วนตัวนะคะชีวิตส่วนรวมกับคริสตจักรจะต้องสำแดงอย่างใดอย่างหนึ่งชัดเจนชัดเจนนะคะไม่มาปะปนกันและนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกกับเราเราไม่สามารถที่จะ เอาน้ำสะอาดแล้วไปหยดน้ำน้ำเน่าหรือยาพิษอะไรนิดนึงแล้วบอกว่านี่คือน้ำเดียวกันเป็นไปไม่ได้นะคะเป็นน้ำคนละจำพวกและเป็นสิ่งที่อยู่ด้วยกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพลักษณะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องให้เราเลือกนะคะว่าเราจะเลือกอยู่ฝ่ายไหนหากวันนี้ท่านใด ย, ยังคงอ่อนแอและรู้สึกว่าเราเองยังมีการงานของเนื้อหนังปากปนอยู่ในชีวิต ขอพระเจ้าเมตตานะคะเพราะว่ชนะคําของพระ อ, องค์จะเป็นฤทธเดชเป็นดาบสองคมที่จะแทงทะลุชีวิตของเราและดาบนี้แหละคะ่ะที่จะฆ่าการงานของเนื้อหนังในชีวิตของเราได้ด้วยนะคะครนนี้เมื่อเราได้กล่าวแล้วว่าการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยทรงอยู่กับเราทรงช่วยเราเป็นผลงองพระวิญญาณที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อเราทําได้แน่นอน พระเจ้าทรงมีพระพรให้กับเราด้วยนะคะเราจะมาดูด้วยการสประการนะคะพระพรที่เกิดจากการเกิดผลของพระวิญญาณประการที่หนึ่งะคะคือเราจะพบว่าเรามีความสงบสุขภายในตนเองนะคะความสงบสุขหรือสันติสุขเนี่ยหมายถึงความสุขสงบที่เป็นความสุขสงบภายในปราศจากความขัดแย้งมีความปลองดองกัน ไม่ใช่เป็นความสุขสงบที่ได้มาด้วยกําลังของเราเองนะคะแต่ว่าเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำให้เกิดขึ้นในใจของเราความชื่นชมยินดีแท้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมสันติสุขแท้ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกันเพราะสิ่งนี้เป็นผลของพระวิญญาณเพราะฉะนั้นไม่ว่าสถานการณ์ใดก็แล้วแต่นะคะเรายังคงจาเป็นต้องมีความสุขสงบ ภ, ภายในชีวิต คริสเตียนกระวลกไวยได้ไหมคงกระวลกววยไม่ได้แต่เป็นห่วงได้ไหมเป็นห่วงได้นะคะจะบอกว่าเราไม่คิดอะไรเลยชีวิตคริสเตียนล่องลอยไปเรื่อยๆไม่ต้องวางแผลไม่ต้องคิดอะไรคงไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่ปัญหานั้นหรือสถานการณ์นั้นๆทำให้เราเริ่มขาดสันติสุขแล้วอันนี้ต้องถอยกลับมานะคะความสุขสงบ หรือสิ่งที่เรียกว่าสันติสุขเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกเศรษฐกิจการเมืองปัญหาสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เรายังคงยืนหยัดอยู่ได้และเช่นกันนะคะไม่ได้หมายความว่าคริสเตียนทําตัวลอยเหนือปัญหาเราไม่ได้ร่วมรับรู้กับสังคมไม่ได้แต่เราอยู่กับสังคมด้วยความเข้าใจและอยู่ด้วยความเชื่อนะคะ เมื่อเรามีผลของพระวิญญาณพระเจ้าจะทรงประทานสติปัญญาให้เราเข้าใจว่าเราจะมองเหตุการณ์ น, นั้นได้อย่างไรนะคะและนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าให้ชีวิตคริสเตียนมีแค่ความสุขเพราะถ้ามีความสุขหรือแฮปปี้นะคะแฮปปี้จะเกิดแค่เฉพาะเมื่อมีแฮปเพนนะคะเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะมีความสุขแต่ถ้าพีซฟูลแล้วเนี่ยต่อให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ยัง <c oughs> ะะก็ยังคงมีความสงบสุขในชีวิตของเราได้นะคะนี่เป็นผลของพระวิญญาณเป็นพระพรที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราประการที่สองค่ะเมื่อมีผลของพระวิญญาณเราจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยสันติสุขอย่างที่บอกนะคะคริสเตียนเราไม่ได้ลอยตัวเหนือปัญหาเราไม่ได้ถูกสอนให้อยู่สันโดษเราไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาให้อยู่ได้โดยลาพังเราอยู่ร่วมกับผู้อื่น แต่ถ้าตราบใดคริสเตียนไปไหนแล้ววงแตกอันนี้น่ากลัวนะคะเวลาเรามาเนี่ยต้องบอกว่ามาแล้วไม่ใช่มาอีกแล้วนะคะใครเห็นหน้าเราโอ้ยมาอีกแล้วแล้วเตรียมลุกหนีเนี่ยนะคะคงไม่เราก็เขาคงต้องมีอะไรผิดปกตินะคะการที่เรามีผลของพระวิญญาณเราอยู่ที่ไหนเราจะเป็นกลิ่นหอมของพระเยซูคริส คงทุกคนคงชอบกลิ่นหอมมากกว่ากลิ่นเหม็นเน่าใช่ไมคะเราไม่ได้เป็นกลิ่นแห่งความตายเราไปไหนต้องเป็นกลิ่นหอมเราอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยสันติสุขนะคะ พ, พระเจ้าทรงตรัสกับเราว่าผู้สร้างสันติวนันอย่างสันติแล้วก็จะได้เก็บเกี่ยวความชอบธรรมในคำเทศนาผู้เป็นสุขของพระเยซูคริสต์ก็ได้กล่าวเช่นกันว่าบุคคลผู้ใดสร้างสันติผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าพระเจ้าทรงเรียกเขาว่าเป็นบุตรนะคะเมื่อสองวันก่อนก็พอกลับบ้านนะคะดิฉันทำงานที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วก็ลูกชายก็เรียนที่นั่นเขาอยู่ป .2 ก็เป็นช่วงที่กำลังปรับตัวเข้ากับเพื่อนเพื่อนใหม่วันนั้นกลับมาบ้านเขาก็บอกว่าคุณแม่วันนี้เขาดีใจมากเลยเขาทำสิ่งดีสิ่งหนึ่งเราก็ถามว่าทาอะไรลูกเขาบอกว่าวันนี้ เพื่อนเขาสองคนทะเลาะ ก, กันเขากุ้มใจมากเลยเพื่อนสองคนทะเลาะ ก, กันแล้วทะเลาะ ก, กันเรื่องอะไร <IS AT> เขาทะเลาะ ก, กัน <IS AT> เพื่อนคนนึงไปร้อยคนหนึ่งอีกคนนึงก็โกรธมากแล้วก็ไม่คุยด้วยเอ้า e แล้ ว, ล, วลูกทํำยังไงเขาบอกว่า <IS AT> <IS AT> เขาเข้าไปคุยกับเพื่อนคนหนึ่ง <IS AT> บอกว่าเนี่ยวันหลังห้ามร้อเพื่อนนะเพื <IS AT> ่อนโกรธเพื่อนไม่ชอบเธอควรไปขอโทษเพื่อนและไปคุยอีกคนหนึ่งว่าแล้วเมื่อเพื่อนมาขอโทษเธอควรให้อภัยเขานะ แล้วก็ไปดิวแบบดิคลคนละเวลาค่ะไปเคลียร์คนนี้ก่อนพอเคลียร์คนนี้เสร็จแล้วก็ไปเคลียร์กับคนนั้นแล้วก็ไปจูงเขาสองคนนะคะมาเช็กแฮนกันแล้วในที่สุดสามคนก็ไปวิ่งเล่นด้วยกันเขาบอกเขาดีใจมากเลยที่เขาทําให้เพื่อนคืนดีกันได้แล้วบอกอืมดีใจด้วยลูกขอบคุณพระเจ้าแต่ในใจก็รู้สึกว่าขอบคุณพระเจ้าที่ตัวเขาเองเริ่มหวานมเมล็ดแห่ง การสร้างสันติในสังคมที่เขาอยู่แม้กระทั่งเด็กป .2 เด็กป .2 นี่มีอาการที่แบบว่ามีปัญหาได้ทุกเรื่องเลยนะคะอย่าคิดว่าเขายังเล็กๆ เ, เขาจะไม่รู้เรื่องโอ้โหป .2 เนี่ยค่ะแสบสุดเลยนะคะเริ่มเริ่มมีปฏิกิริยา ชอบเด็กผู้หญิงคนนั้นคนนั้นจะไปเล่นกับคนโน้นฉันก็จะเกลียดเขาจะไม่ชอบเขาเพราะฉะนั้นก็จะมีความโกรธกันแต่โกรธแบบเด็กๆอะคะ่ะสักพักก็จะดีกันไม่ได้โกรธแบบผู้ใหญ่ที่โกรธกันนานนานจนลืมว่าเรื่องอะไรเงี้ยนะคะแต่เรารู้สึกเราดีใจแล้วก็เลยเป็นโอกาสที่สอนเขาว่านี่แหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทยัยและชีวิตของผู้เชื่อต้องอยู่ที่ไหนลูกต้องสร้างสันติภาพลูกต้อง นำมาซึ่งการคืนดีและตัวเองก็ต้องไม่เป็นเหตุให้ก่อให้เกิดความแตกรล้าหรือแตกแยกถ้าคริสเตียนคนไหนนะคะถนัดในการหวานความแตกรล้านะคะก็ขอพระเจ้าเมตตาที่จะหยุดสิ่งนั้นเพราะสิ่งที่เขาจะต้องเก็บเกี่ยวในอนาคตนั้นน่ากลัวเกินกว่าที่เขาจะต้องหวานออกไปนะคะขอพระเจ้าเมตตาและเมื่อผลของพระวิญ ญ, ญาณอยู่ในเรานะคะเราจะต้องเป็นผู้สร้างสันติ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสันติหากวันนี้ท่านใดมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวก็ดีที่ทำงานก็ดีคนในที่ที่เราอยู่ก็ดีขอพระเจ้าให้เราถ่อมใจนะคะคำขอโทษไม่ได้แปลว่าเราผิดเสมอไปแต่คำขอโทษด้วยความจริงใจเป็นสัญญาณแห่งความถ่อมใจที่พระเจ้าทรงพอพระไทยและถ้าหากเขาอภัยหรือไม่ให้อภยัย อันนั้นเป็นเรื่องของเขานะคะไม่ต้องไปโไวยวายว่าขอโทษแล้วทําไมถึงไม่ให้อภัยขอโทษแล้วทําไมไม่คืนดีมันใช้ไม่ได้เลยอย่างมันอย่างนี้ไม่ใช่ธุระของเรานะคะขอโทษเขาอธิษฐานเผื่อเขาขอพระเจ้าทํางานในจิตใจเขาและสังคมเราจะน่าอยู่ค่ะที่โรงเรียนที่ดีฉันได้รับใช้เนี่ยแน่นอนก็เป็นสังคมใหญ่ที่ก็มีความขัดแยง้งเป็นเรื่องปกตินะคะแต่อยากจะบอกว่าน่าเสียดาย อย่างนึงถ้าสมมติว่ามีใครสักคนที่เราไม่ชอบหน้าในโรงเรียนเนี่ยค่ะมีกันเป็นพันกว่าคนแต่เรารู้สึกมีปัญหากับคนคนหนึ่งจะทำให้เราอยู่ร่วมกับพันกว่าคนที่เหลืออย่างไม่มีความสุขเลยจริงไหมคะเราจะรู้สึกโรงเรียนไม่น่าอยู่เลยแต่มาถามจริงๆว่าพันกว่าคนที่เขาไม่ได้ทะเลาะ ก, กับเราเขาทำอะไรผิดเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะเมื่อเรามีปัญหาความขัดแย้งที่ใดก็แล้วแต่ขอพระเจ้าเมตตา ขอผลพระวิญญาณไปสุดจะช่วยเราและประการสุดท้ายนะคะพระพรเมื่อเราได้ใช้ชีวิตมีผลของพระวิญญาณแน่นอนค่ะเราจะสําแดงพระศิลิ์ของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่หข้อที่หนึ่งกล่าวไว้ว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขในพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเรานะคะ ในพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่ห้าข้อที่ยี่บสามได้บอกกับเราไว้ว่าพระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าแห่งสันติสุขพงษ์ทรงเป็นยาเวชาลมนะคะเมื่อเรามีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นผลอะไรก็แล้วแต่เมื่อเราทำชีวิตเราจะสำแดงพระเจ้าของเรานะคะเหมือนอย่างที่ผู้นำนำมัสการได้กล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าเรา ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากการที่องค์พระเยซูคริสต์ได้มอบไว้ให้กับเราเป็นเหมือนมรดกในชีวิตเราอะคะ่ะโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันเลวีใช่ไหมคะในพระธรรมพระคัมภีร์เดิมได้ตรัสไว้ครั้งหนึ่งบอกว่าชีวิตของคนเลวีนะคะเขาไม่มีแผ่นดินเขาไม่มีอาชีพเขาไม่มีเงินทองมากมายเหมือนอย่างเผ่าอื่นๆแต่เขามีพระเจ้าเป็นมรดกชีวิตที่ฉันก็มีพระเจ้าเป็นมรดก นะคะและเมื่อเรามีมรดกที่ดีขนาดนั้นนะคะก็นี่แหละเป็นแหล่งชีวิตของเรานะคะขอพระเจ้าเมตตาขอให้ชีวิตของเราไปไหนเขาจะรู้ว่าอ๋อคนนี้เป็นคริสเตียนอย่าให้ไปไหนแล้วมีแต่คนบอกว่าโหอยู่ด้วยกันตั้งนานไม่เคยรู้เลยว่าเขาเป็นคริสเตียนน่าเสียดายนะคะแล้วก็ทำให้พระเจ้าเสียพระเกียรติยศจากชีวิตของเราไปไหนบางครั้งนะคะ การกระทําของเราดังกว่าคำพูดเราไม่ต้องไปพูดหรอกคะ่ะว่าเรารักเขาแต่ให้เราสำแดงแล้วเมื่อเราสำแดงเขาจะแบบโอ้โหทําไมความรักของคุณมันมากมายขนาดนั้นทําไมเรารักกันได้ต่อให้เรายังไม่รู้จักกันดีพอทําไมคุณช่วยเหลือเราบอกเขาเลยคะ่ะเราเป็นคริสเตียนเรามีพระเจ้าและพระเกียรตินั้นจะเป็นของพระองค์นะคะขอพระเจ้าเมตตาซึ่งนี่เป็นสิ่งที่อยากให้ เราได้ตรหนักถึงและรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังคงทรงกระทำกิจของพระองค์ในชีวิตของเราเสมอพระองค์จะยังทรงเป็นแหล่งแห่งชีวิตเมื่อเรายังคงเกิดดอกออกผลเรื่อยๆต้นไม้ที่ตายแล้วจะไม่มีผลฉันใดนะคะชีวิตคริสเตียนที่ไม่เกิดผลฝ่ายพระวิญญาณก็จะเป็นชีวิตคริสเตียนที่ตายแล้วฉันนั้นถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ไม่ได้แค่มีชีวิตฝ่ายโลกนะคะ ชีวิตฝ่ายวิญญาเรายังอยู่จะต้องมีผลที่เกิดขึ้นให้เราได้เห็นนะคะให้พระเจ้าได้ทรงรับพระเกียรติจากชีวิตของเราและผู้อื่นจะได้ขอบพระคุณพระเจ้าจากชีวิตของเรานะคะให้เราที่ทานด้วยกันนะคะ <c oughs> <c oughs> สาธุการพระเจ้าพระบิดาที่รักขอบพระคุณพระองค์เหลือเกินพระองค์เจ้าข้าที่วันนี้เราอยู่ในโลกนี้ เราไม่ได้อยู่ในลำพังอยู่ด้วยลำพังแต่เราอยู่โดยมีพระองค์ผู้ทรงสถิตยอยู่ในเราขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้ทรงประทานพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ไว้ในชีวิตของเราเพื่อเป็นพระครูที่จะสอนเราให้รู้จากทางที่จะดำเนินไปบนโลกใบนี้มีหนทางให้เราเลือกมากมายพวงเจ้าข้าเป็นหนทางที่สุขสบายแต่อาจจะอันตรายเป็นหนทางที่ดูเหมือนยากลาบากแต่ปลายทางนั้นปลอดภัย ขอพระเจ้าเมตตาให้เราเองได้ดำเนินชีวิตให้เป็นที่ชอบพระไทยพระองค์เสมอให้ชีวิตของเราจะเกิดดอกออกผลเป็นการกระทำเป็นชีวิตที่ถาวายพระเกียรติยศแด่พระองค์เพราะเมื่อวันหนึ่งเราได้กลับไปอยู่กับพระองค์และอยู่จำเพาะพระพักพระองค์เราจะถาวายรายงานอย่างไม่อายพวงเจ้าข้าและพวงจะทรงตรัสกับเราว่าเจ้ามีชีวิตเป็นที่พอใจของเรา เราปรารถนาจะได้ยินเช่นนั้นขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านในที่นี้ให้ได้เติบโตในทางของพระองค์ทุกวันคืนตลอดชีวิตของเขาจนกว่าวันหนึ่งที่เราจะได้พบกับพระองค์หน้าต่อหน้าพระองค์เจ้าเราจึงฝากมอบชีวิตของกันและกันไว้และอธิษฐานทูลขอสิ่งเหล่านี้ด้วยความเชื่อมั่นในพระองค์อธิษฐานด้วยพระนามอันประเสริฐแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอามนขอพระเจ้าอวยพระพรนะคะ